บรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดวันงานทําบุญเพื่อแผ่นดินไทยขึ้นมาเป็นงานประจําปีของวัดยานที่ได้ทํามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ได้สร้างวัดขึ้นมาเป็นบทเพนี ทำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษวีรบุรุษผู้ที่ปกป้องรักษาคุ้มครองประเทศชาติให้อยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนี้คือเหล่าทหารทั้งหลายที่ต้องทำสงครามเพื่อปกป้องแผ่นดินของพวกเรา ทางวัดได้มีความสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษเ่านี้จึงได้จัดงานทำบุญถวายอุทิศส่วนกุศลให้แก่วีรบุรุษบรรพบุรุษของพวกเราซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมกราคม ปีนี้ก็เป็นวันที่ตรงกับวันที่สิอจะเป็นวันหลังวันเด็กเสมอเพราะวันเด็กจะเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราวันทําบุญเพื่อแผ่นดินไทยก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมกราปีนี้ก็ตกลงในวันนี้คือวันที่11มกราคมการทําบุญอุทิศนี้ เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำกันเพราะมีคุณมีประโยชน์ทั้งกับผู้กระทำเองและผู้ที่รับส่วนบุญคือผู้ที่ร่วมรับไปแล้วเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มียาณวิเศษสามารถมองเห็นสิ่งที่พวกเรา ไม่สามารถมองเห็นได้สิ่งนั้นก็คือร่างทิพย์กายทิพย์ต่างๆนี่เองพวกเรานี่มีร่างทิพย์กับกายหยาบอยู่ร่วมกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ร่างกายนี่เราเรียกว่ากายหยาบส่วนจิตใจของเรานี่เรียกว่าร่างทิพย์กายทิพย์เวลาที่กายหยาบคือร่างกายนี้ตายไป ร่างทิพย์กายทิพย์ของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างทิพย์กายทิพย์เป็นผู้สร้างบุญสร้างบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างบางวันเราก็ทําบาปบางวันเราก็ทําบุญบุญและบาปที่เราทําไว้นี้ก็จะสะสมไว้ในร่างทิพย์ในกายทิพย์ของเรา ทำให้ร่างทิพย์กายทิพย์ของเรานี้เป็นอะไรไปตามบุญตามบาปที่เราทําไว้ถ้าเราทําบุญมากกว่าบาปร่างทิพย์ก็จะเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมเป็นพระอาริยะบุคคลตามกําลังตามจํานวนของบุญที่เราได้ทําไว้ถ้าเราทําบาปมากกว่าได้ทําบุญร่างทิพย์ของเราก็จะกลายเป็นเด ร, าารัจฉาน เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกตามกําลังของบาปที่เราทำไว้อ่างทิพย์หรือกายทิพย์นี่แหละเป็นผู้ที่จะไปเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมหรือไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานอยู่ที่บุญบาปที่เราทำกันในแต่ละวันนี้เองรวมทั้งบุญเก่าบาปเก่าที่ยังไม่ได้ส่งผล ถ้าเขามีโอกาสที่จะส่งผลเขาก็จะส่งผลขึ้นมาต่อไปพวกที่ตายไปแล้วอย่างบรรพบุรุษเวลบุรุษที่คอยปกป้องคุ้มครองรักษาแผ่นดินไทยก็อาจจะต้องมีการทำบาปเพราะเวลาที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็จะต้องมีการฆ่าฟันกันเป็นธรรมดา แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังต้องมีภาระดูแลทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองดูแลชีวิตของตนและของญาติสนิทมิตสหายซึ่งเมื่อมีผู้ใดมาลุกรานจะมาทำ้ายทรัพย์สินหรือชีวิต เราก็ต้องต่อสู้เพื่อป้องกัน ร, รักษาไว้แต่การต่อสู้ป้องกัน ร, รักษาถ้าไปทําร้ายไปฆ่าผู้อื่นให้เสียชีวิตก็จะเป็นบาปขึ้นมาแล้วถ้าเวลาตายไปถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้าไปเกิดเป็น เก็จะต้องมาคอยรอรับส่วนบุญนี่คือที่มาที่ไปของเหตุผลที่พวกเรามาทำบุญกันเพื่อที่เราจะได้ส่งบุญไปให้กับผู้ที่เขามีบุญน้อยเพื่อที่จะช่วยให้เขาได้หมดกรรมหมดบาปแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เราจึงหมั่นทำบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลกันเวลาเราอุทิศเราก็ได้บุญอีกต่อหนึ่งทำบุญให้ทานนี้เราก็ได้บุญหนึ่งหนึ่งต่อพอเราอุทิศบุญเราก็จะได้บุญอีกต่อหนึ่งได้สองต่อด้วยกันผู้ที่รอรับส่วนบุญก็จะได้รับประโยชน์าะจะทำให้ความหิวโหยของเขา น้อยลงไปเพราะเขาเปลี่ยนเหมือนกับขอทานทางจิตวิญญาณเขาเป็นขอทานในร่างทิพย์เพราะในสมัยที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่มีโอกาสได้ทำบุญหรือทำแต่ได้ทำน้อยแล้วเขาต้องไปทำบาปที่มีน้ำหนักมากกว่าบุญที่เขาทำไว้เขาก็เลยต้องไปเกิดในอบาย นี่คือความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่ปกป้องรักษาแผ่นดินให้พวกเรามีแผ่นดินอยู่จนตราบทุกวันนี้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายมีเงินมีทองมีอะไรต่างๆเหลือเฟือเราจึงไม่หวงแหนแบ่งปันเอาเงินทองเข้าของ ที่เรามีเหลือกินเหลือใช้นี้มาถวายให้กับพระเพื่อเป็นการสนับสนุนทรูุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการสร้างบุญที่จะได้อุทิศให้แก่ผู้ที่มีพระคุณต่อประเทศชาติต่อไปเราทำบุญอย่างนี้ได้ประโยชน์หลายอย่างทำให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรือง อยู่ต่อไปได้ยาวนานเพราะถ้ามญ า, าติโยมไม่สนับสนุนพระภิกษุสามเณรไม่ใส่บาตรไม่ถวายปัจจัยสภิกษุสามเณรก็จะไม่สามารถอยู่ได้จะต้องอดตายไปหรือจะต้องลาสิกขาไปเพราะไม่มีใครสนับสนุนถ้าไม่มีภิกษุสามเณรมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครมาเอาธรรมะเอาสัจธรรมความจริงมาเผยแผ่ให้กับพวกเราพวกเราก็จะไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรกันบุญที่ควรจะทำก็อาจจะไม่ได้ทำเพราะไม่มีใครสอน เมื่อเราไม่ได้ทําบุญเรามัวแต่ทําบาปเวลาเราตายไปถ้าบาปมีมากกว่าบุญเราก็จะต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเรามีพระพุทธศาสนาคอยสอนให้เราทําบุญคอยสอนให้เราละบาปอยู่เรื่อยเรื่อยเราก็จะทําบุญมากกว่าทําบาปแล้วเมื่อเราตายไป เราก็จะได้ไปเกิดในสุขติไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปเกิดเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆหรือบรรลุเป็นพระอรหันยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะอยู่ ยั่งยืนกับโลกได้ต้องมีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วนำเอาพระธรรมคำสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้ถ้าไม่มีผู้ศึกษาไม่มีผู้ปฏิบัติไม่มีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่มีใครจะสามารถนำเอา ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้ได้อย่างถูกต้องถ้าเพียงแต่อ่านหนังสืออย่างเดียวหรือฟังอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้นำมาไปปฏิบัติสิ่งที่ได้เรียนมาได้อ่านมานี้ยังไม่ได้เป็นความจริงที่แท้จริงและเวลาเอาไปสอนก็จะสอนแบบไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ที่จะทาให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังสามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วก็จะทำให้ไม่มีศรัทธาที่อยากจะนำเอาไปปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพระพุทธศาสนาก็จะสูญสลายหมดไปดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรง พยากรณ์ไว้ว่าพระพุทธศาสนานี้จะอยู่ได้ไปไม่เกิน 5,000 ปีตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้ว 2,500 กว่าปีตอนนี้ยังมีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาผู้ที่จะปฏิบัติผู้ที่จะออกบวชและมีผู้ที่ยังมีความยินดี ที่จะสนับสนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญสร้างถาวรวัตถุสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ใส่บาทถวายผ้าจีวรถวายผ้ากถิน่นถวายผ้าปา่าเวลาพระภิกษุป่วยไข้ก็นำไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ ตอนนี้ศาสนาของเรายังอยู่ในระดับที่ไม่เสื่อมยังมีการทำหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายฝ่ายคารวะก็ทำหน้าที่ดูแลทานุบำรุงพระพุทธศาสนาฝ่ายฝ่ายบรรพชิตคือฝ่ายนักบวชก็ทำหน้าที่ศึกษาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมเพื่อจะได้รู้แจ้งเห็นจริง ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้นำออามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นถ้าต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ของตนไม่บกพร่องพระพุทธศาสนาก็จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่เวลาใดที่ต่างฝ่ายต่างไม่ทำหน้าที่ของตนเช่นบรรพชิตคือนักบวช ไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็จะไม่สามารถนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้ผู้ที่สนับสนุนรรนุบำ ร, รุงพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมศรัทธา ในบัพชิตผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนบัณชิตที่ไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติก็จะดําปฏิบัติตนไปในลักษณะที่เสียหายเสื่อมเสียเพราะไม่รู้จากวิธีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าเป็นอย่างไรคนเราจะรู้ได้ก็ต้องเรียนรู้ต้องได้ยินได้ฟังต้องมีคนสอน อย่างเด็กๆนี้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่สั่งสอนเด็กๆก็จะไม่รู้ว่าเขาควรจะทําอะไรเขาจะไม่รู้ว่าเขาควรจะไปเรียนหนังสือกลับมาบ้านก็ควรทําการบ้านไม่ใช่ปล่อยให้เล่นให้เที่ยวโดยที่ไม่ได้ทําอะไรที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์ฉันใดถ้ามาบวชแล้วไม่ได้สนใจที่จะศึกษา พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่รู้จกักศีล227ข้อว่ามีอะไรบ้างไม่รู้ว่าควรที่จะปฏิบัติอย่างไรก็จะไม่สามารถที่จะเป็นสุปฏิปันโนได้คือจะไม่สามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ก็จะทำไปแบบไม่ถูกต้อง ทำแล้วทำให้ผู้ที่มีศรัทธานั้นเสื่อมศรัทธาลงไปผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็จะไม่เกิดศรัทธาขึ้นมาเมื่อไม่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีการทำนุบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาเมื่อไม่มีการดูแลพระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมหมดไปในที่สุด ดังนั้นทั้งทั้งสองฝ่ายจึงควรทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่คาววะญาติโยมก็ควรจะหมั่นทำบุญเข้าวัดกันมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อที่จะได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งของใจมาทำให้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนมากจนเกินไปผู้บวชคือบรรพชิตก็ต้องพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติอย่างเข้มขัดเพื่อให้ได้บรรลุผลเพื่อที่จะได้เอาผลที่วิเศษนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา ที่พวกเรามีความเคารพมีความเลื่อมใสที่พวกเรามาทำบุญกันก็เพราะเชื่อบุญเชื่อบาปเพราะมีการสั่งสอนเรื่องบุญเรื่องบาปกันถ้าต่อไปไม่มีการสั่งสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเราก็จะไม่มีศรัทธาที่จะทำบุญที่จะละบาปกันเมื่อไม่มีการทำบุญมีแต่การทำบาป สังคมก็จะเดือดร้อนจะวุ่นวายกันสังคมก็จะกลายเป็นสังคมของเดรัจฉานไปสังคมของมนุษย์นี้อยู่ได้ก็เพราะว่ามีศีลห้าผู้ใดที่ไม่สามารถรักษาศีลห้าหรือปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองได้ก็จะต้องถูกจับเอาไปขังไว้ในคุกในตารางเพราะถ้าปล่อยให้อยู่ข้างนอก ก็จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น <Yeah. S 1> เพราะสังคมของเรายังมีคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วอยู่ <Yeah. S 1> จงมีการจำแนกแยกแยะคนดีคนชั่วออกจากคนดี <Yeah. S 1> คนชั่วก็จะไปอยู่ในกรงในคุกในตาราง <Yeah. S 1> คนดีก็อยู่นอกคุกนอกตราง เพราะคนดีจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองสังคมของเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะมีคำสอนของนักปราชญ์อย่างพ่อพุทธเจ้าที่สงสอนให้พวกเราอยู่กันด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่คือคุณธรรม ที่จะทำให้พวกเราอยู่กันอย่างน่มเย็นเป็นสุขเมตตาก็คือให้มีความปรารถนาดีต่อกันให้คิดดีต่อกันไม่คิดร้ายต่อกันกรุณาก็คือให้มีความสงสารต่อกันเวลาใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันดูแลกันไปตามกำลังมุทิตาก็คือความยินดี ในความสุขความเจริญของผู้อื่นเวลามีผู้อื่นได้รับความสุขความเจริญก็แสดงความชื่นชมยินดีไม่อิจฉาไม่เลษยาคิดว่าเป็นบุญของเขาเป็นการกระทำดีของเขาจึงทำให้เขาได้รับความสุขและความเจริญแล้วก็ให้มีอุเบกขาเวลาที่ มีเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แก้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจเฉยๆอย่าไปทุกข์อย่าไปเสียอกเสียใจเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมีสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไป เวลาเราทําอะไรไม่ได้ก็หัดทําใจให้นิ่ง mm. ให้สงบอย่าไปเศรา้าโศกเสียใจอย่าไปโกรธแค้นโกรธเคืองหรืออย่าไปดิ้นนนกระทําในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่ตนอยากได้นั้นเป็นไปตามที่ต้องการ mm. ให้ลดให้ยอมรับว่าเราอยู่ในโลกที่มีการเจริญและมีการเสื่อมเป็นธรรมดา มีเจริญราบยศสรรเสริญเจริญความสุขทางตาหูจมุกดิ้นกายได้ก็มีความเสื่อมทางราบยศสรรเสริญเสือเส่อมความสุขทางตาหูจมุกลิ้นกายได้เวลาเสื่อมแล้วเราไม่สามารถนำเอากลับมาเราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้าใจเราเป็นอุเบกขาใจเราจะไม่เดือดร้อนกับการสูญเสีย ถ้าเราไม่มีอูเบกขาเราอาจจะถูกความหลงหลอกให้เราเกิดความเสียออกเสียใจถึงกับอยากจะไปฆ่าตัวเองหรือไปฆ่าผู้อื่นเวลาที่ผู้อื่นเขามาสร้างความเสื่อมให้กับเรานี่คือธรรมะที่เราจะได้รับจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนาดังนั้นเราจึงควรที่จะ มันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำบุญสนับสนุนคนดีคนที่มาอยู่วัดนี้ถือว่าเป็นคนดีเพราะคนจะมายอยู่วัดนี้จะมาทําแต่ความดีเช่นมาทําบุญให้ทานมารักษาศีนมาปฏิบัติธรรมทาทใจให้สงบทําใจให้เป็นอุเบกขาผู้ที่มีใจสงบเป็นอุเบกขาแล้ว จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นจะมีแต่ทำความดีทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นดังนั้นวันนี้พวกเราก็ได้มาทำหน้าที่ของคาลวะญาติโย์มาทำบุญแล้วก็มาบูิิะส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพุรุษที่ได้ร่วงลับไปแล้วก็ขออนุโมทนาขอให้ บุญกุศลที่ท่านได้ทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนะใจและบุญกุศล